ถ้าวันนี้เป็นวันพระนะลูกหลานกนัตถายาตโยมเป็นวันพระเดือน10บดับวันนี้ส5บห้าวันส5บห้า่าำเดือนส0บแต่ทางภาคกลางเขาเรียกเป็นกษัตราทางภาคกลางนะวันนี้นะทำบุญอุทิศสวนกุศลทางภาคกลางแต่ทางภาคอีสานของเราเดือน9้าดับแล้วก็เดือน1ิเแผ่น พรวันนี้เป็นวันถือว่าเป็นวันพระใหญ่แต่ก็วันนี้เป็นวันพระท่านบอกหลวงพ่อว่าจะออกสถานีวิทยุเสียงธรรมไหมวิทยุร้อยเเมกะเฮิรตที่วัดป่านาคาน้อยหลวงพ่อก็อนุญาตนะหลวงพ่อขออนุญาตจากองค์หลวงตาบอกว่าสถานีวิทยุของหลวงตาวัด ป่านาคำน้อยพวกกระผมพวกกผมขอใช้ในช่วงที่ไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลแล้วหลวงพ่อจะได้จะได้กระผมจะได้กล่าวเรื่องราวภายในวัดเนี่ยเป็นช่วงกระถินช่วงนี้จะได้โปรโมทบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ที่รู้จักมักคุ้นผู้ที่จะ อยากจะรับรู้รับทราบก็จะได้มาถูกต้องตามวันและเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงจะได้เราจึงได้ใช้สถานในวิทยุในวัดของเราเออันดับแรกก็จะมีการนําสมาทานศีลไหว้พระสมาทานศีล เ, เริ่มเลยแล้วนะอิมินาสกาเลนานาง ให้เรียบร้อยนั่งสบายๆวันนี้เป็นวันพระเดือนสิบดับตั้งแต่วันนี้ไปก็อีกสองวันพระก็เป็นวันออกพรรษาพระสงฆ์ก็เป็นวันประวารณาเป็นวันออกพรรษาของพระสงฆ์แล้วเป็นวันออกพรรษาสำหรับพวกคณะสัตยาติโยมที่ตั้งจิตนิรฐานเอาไว้ว่า ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทําอะไรข้าพเจ้าจะงดเหล่าข้าพเจ้าจะงดบุหรี่ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะทําบุญตักบาตรทุกวันพระทุกวันหรือไหว้พระทําวัดเช้าเย็นทุกวันพวกเราให้ทบทวนดูว่าการตั้งจิตอธิษฐานของพวกเรานั้นะขาดตกบกพร่องไปไหม ขาดตกปกพ่องที่ตรงไหนอย่างไรถ้ามันขาดตกปกพ่องก็พยายามทำให้เต็มตื่นขึ้นอันนั้นคือพวกเราตั้งจิตแตตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเอาไว้่าให้โกหกตัวเองโกหกเช้าโกหกเย็นโกหกทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งที่ตั้งสัตว์มาแล้วก็โกหกแปลว่าหาความสัต์จริงไม่ได้ในตนเองเป็นคนต่อ อ, อล้มเหลวโลกเลศโลเลหล่อแหละฮะไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราทันทั้งหลายตั้งสิ่งไหนขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นจริงเป็นศิ้นเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลพวกเรากควรจะตั้งใจให้มั่นคงตั้งใจให้มั่นเพราะส่วนอื่นที่เราจะพึ่งพาอาศัยพึ่งพาอาศัยอะไรถ้าไม่พึ่งพาอาศัยบุญกุศลเอพึ่งพาอาศัย ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพึ่งพาอาศัยร่างกายผพาพังพาอาศัยส่วนอื่นมีแต่อเนจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนะมีแต่ละเลงละลายหายออกจากพวกเราทั้งหมดเพราะนั้นที่จะพึ่งได้ก็คือบุญกุศลที่พวกเราจะทํำนี่แหละบึงบุญกุศลถึงข่าวจนเจียนมาพวกเราจะตระระลึก ถ, ถึงบุญกุศลของพวกเรานะ วันนั้นให้พวกเราทุกท่านนะให้ทบทวนดูแล้วก็เนี่ยอีกสองวันออกสองวันพระก็ออกปันสาแล้วนาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศิลนะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี่เลยนะนี่ภูติงยันติตัสมาสี่ลังวิโสทาย เอาต่อไปอยู่ในความสงบลูกหลานทุกคนหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังควรที่จะรู้ควรที่จะรับทราบร่วมกันหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิจกถาต่อที่พวกเราควรจะรับทราบพพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพุทธบริษัทสี่ อแล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่สิบสามเป็นวันตํารวจนะหลวงพ่อกับคณะสงฆ์จะได้ไปฉันที่สถานีท่านผู้กากับนั่งอยู่ตรงนี้แหละท่านทีมนต์มาแล้วก็หลวงพ่อเขาคงจะได้ไปฉันที่สถานีตํารวจอําเภอนายูงของเราวันพุ่งนี้นะแล้วก็วันนี้เป็นวันพระ เป็นวั น, วนอุโบสถของพระด้วยขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายประกาศรวมกันตอนเที่ยงอย่าให้ได้คอยกันบอกบอกกล่าวให้ทั่วถึงเป็นวันอุโบสถของพระวันนี้แล้วก็วันเมื่อออกพรรษาแล้วนะออกพรรษาวันที่ยี่สิบกว่าเดือนตุลานะ แล้วก็วันที่แปเป็นวันกระถิญ น, นะคณะจัทาญายิโยมลูกหลานกระถินปีนี้เป็นกระถินพระราชทานเป็นกระถิญพระองค์โสมรือท่านจะเสด็จมาเป็นประธานที่วัดของเรานกว่าเป็นวันเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสาหรับประสบนนะในกรเขตอาเภอนายูงน้ำโสมจังหวัดอุดรของเราเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่าน เอ่มารวมกันมาร่วมกั น, กนที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อนะเอออันนี้ก็คืออยากหลวงพ่อควรจะรวมพลังเรื่อรวมญาติพี่น้องคณะสัตา ย, ยาญาติโยมให้มารวมกันใ ห, ให้มากเท่าที่จะมากได้พอมารับเสด็จพระ อ, องค์ท่านวันที่แปดพระ อ, องค์ท่านจะเสด็จ บ, บ่ายสี่โมงนะบ่ายสี่โมงเย็นวันที่วันที่แดพฤศจิกายน แต่ตอนเช้าพวกเราก็ทําบุญตักบาตรตามปกติใส่บาตรตามปกติอย่างพวกเราเคยทํากันมาแล้วก็จากนั้นก็คงจะเลี้ยงอาหารการบริโภคกันทั้งวันวันนั้นแต่หลวงพ่อวิตกกังวลกับเรื่องที่จอดรถเรื่องอะไรก็ตามนะให้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่รักเคารพในหลวงพ่อ ที่ว่าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกท่านแล้วก็นะ่ะต้องมารวมแรงรวมใจกันการทะเลาะวิวาทกันชิงดีชิงเด่นทะเลาะกันนะอย่าได้มีนะถ้าว่าใครเกิดขึ้นในช่วงขับขันอย่างนี้นะ่ะหลวงพ่อจะขีดเส้นตายเลยออกจากวัดอย่ามาเหยียบวัดของพ่ออีกต่อไปหลวงพ่อจะขีดเส้นตายเลยนะเหมือนกับเข้าจะเข้าได้เข้าเข็มจะเข้ากดเข้าเกณฑ์ จะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจะมาหาทะเลาะกันเรื่องจะเป็นงานใหญ่ขนาดไหนก็ไหนงานอะไรก็ตามแหมใครบอกนับรับหน้าที่อะไรก็ตามห้ามมีการทะเลาะกันเด็ดขาดคาว่าเด็ดขาดฟังเลยใช น, นะให้พวกเราฟังเอาไว้ขอให้พวกเราทุกทุท่านพร้อมจิตพร้อมใจกันมีความพร้อมเพียงสมัครคีกกันเคียงบา่าเคียงไหลในเมื่อมันหนักก็ต้องช่วยกัน หลังงานนี้เป็นไม่ใช่งานธรรมดาไะงานเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินพระองค์ท่านเสด็จนับว่าเป็นมงคลมหามงคลยิ่งสําหรับวัดของพวกเราเพราะฉะนั้นขอประกาศศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันพระนะหลวงพ่อกขอแจ้งข่าวการนี้ให้กับพวกเราให้ทั่วถึงกันแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสองตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นวันพระปฏิบัติธรรม ของพวกเราตอนเช้าก็มีการสมาทานศีลที่จบลงไปแล้วก็ตอนเที่ยงพระสงฆ์ก็คงจะลงอุโบสถแล้วก็ตอนเย็นก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์ฟังพระธรรม เ, ศรเทศนาอย่างทุกวันที่ผ่านมาทุกครั้งที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็อีกสองวันก็เป็นวันออกพรรษาแล้วขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดี อย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเรานับว่าโชคดีอย่างมากที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติธปฏิบัติจะหาความโชคดีได้ที่ไหนจนความโชคดีของพวกเราจนลืมตัวบางครั้งเออเหลืองเจ้างเออพราะเหตุไยเพราะไม่เห็นคุณค่าความไม่เห็นคุณค่าจุดนี้แหละ แปลว่าเราลืมตัวอย่างมากอย่างเมื่อวานพี่น้องชาวอินโดนีเซียเขามากราบหลวงพอ่อแต่หลวงพ่อไปอินโดนีเซียเมื่อเกือบสิบปีให้หลังไปเพียงครั้งเดียวนั่นแหละเขานิมนต์ไปหลวงพ่อก็ไปไปเขารู้สึกว่าอบอุ่นพี่น้องอุ่นหนาฟ้าข้างใส่บาทตอนเช้าไม่ต้องพูดถึงแล้วอาหารขนาดนี้อาหารครึ่งขอนซาลาเลย ที่มาคนมาทำบุญผลที่สุดจตุปัจจัยไปเจ็ดวันนะลูกหลานนะไปเจ็ดวันมีคนถวายจตุปัจจัยมีพระไปด้วยกันเจ็ดองค์มีหลวงพ่อทานรัตนะท่านหงงตาดร็อกเตอร์ท่า น, นะา น, านพระาอาจารย์สุธรรมแล้วก็มีพระฝรงังท่านอาจารย์ดิ๊ไปด้วยกันหลายองค์เจ็ดองคอ์ไปอยู่พักไปตะเวน ตามเกาะต่างๆเจ็ดวันมีมีคนถวายเจตุปัจจัยสองร้อยสี่สสี่สิบล้านนะฟังได้ถวายสองร้ยสี่สิบล้านลวงพ่อได้เป็นเศรษฐีอยู่อินโดเลยงั้นเถอะพอพอมาคิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ได้ล้านสี่แสนกว่ า, วาเงินสอง้ยสี่ิกว่าล้านนะ แต่หลวงพ่อเขาบอกว่าเออหลวงพ่อเดี๋ยวจะโอนเข้ามาเมืองไทยหลวงพ่อบอกเอยเงินเกิดนสถานที่ใดไม่ต้องเอากลับไปเมืองไทยเอาไว้ที่นี่ละ่ะเอาไว้กับอินโดนีเซียหลวงพ่อไม่เอาไปไม่เอากลับมันเกิดที่นี่เอามาใช้ที่นี่สำหรับดูแลพระสงฆ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์อาพาธหรือว่ามีภัยวิบัติอะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวอินโดนีเซีย หรือว่าการศึกษากระสุดแท้แต่คณะกรรมการที่ลงที่หลวงพ่อมอบให้นี่แหละให้ช่วยกันคิดนะให้ช่วยกันจัดการหลวงพ่อเขามอบให้ทั้งหมดหลวงพ่อไม่เอามาเลย เ, เมื่อมันเกิดที่ไหนหลวงพ่อก็ให้ที่นั่นถ้าเอามาเลยเดี๋ยวเขาเขาจะวาวาดเนี่ยหลวงพ่ออินกับคณะหลวงพ่ออินถวายกับคณะไปอินโดนีเซียไปหอบเงินชาวอินโดนมา เสียประวัติใช่ไหมล่ะหลวงพ่อไม่เอานะอคณะหลวงพ่อเป็นพระป่าพระหงหลวงพ่อยังมีเกียรติประวัตินะยังมีเกียรตินะไม่เอาเอมอบให้กับคณ ะ, ะจัตยาญาติโยมให้ดูแลพระสงฆ์หรือพี่น้องประชาชนการศึกษาของอินโดเนสเียเน่ละประมาณล้านสี่เกือบล้านห้านะก็มากพอสมควรอยู่นั่นแหะอันนี้ก็คือหลวงพ่อไปแต่นี้กับคณ ะ, ะจัตยาญาติโยม หลวงพ่อก็ไปเทศลูกไปเน่แสดงความคิดเห็นพ่อหลวงพ่อไปณสถานที่ใดหลวงพ่อก็แสดงความคิดเห็น เ, เรื่องศีลสมาธิปัญญาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปห้องไปชุมใหญ่ที่จากาตานะห้องประชุมนี่ก็เหมือนกับในห้องสิริกิตห้องของของไปชุมสิริกิตในกรุงเทพเรานอะห้องใหญ่ห เ, เขาก็มาเต็มห้องเลย หลวงพ่อสาธิตในการพิธีเดินจงกรมทํำยังไงให้เดินพิธีการเดินเดินให้เขาดูแล้วก็พิธีการนั่งสมาธิทํำยังไงวิธีกราบกราบยังไงเพราะว่าการกราบอยู่ที่อินโดนีเซียกราบที่เบตก็กราบอย่างหนึ่งใช่ไหมกราบญี่ปุ่นก็กราบอย่างหนึ่งกราบจีนก็จาบกราบอย่างพ่อใหม่สีลังกาเวลาการกราบมันต่างกันไปหมดกราบจีนก็กราบอีกอย่างหนึ่ง แต่พวกเรากราบเป็นจาขับปฏิบต์ตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นกราบอย่างไรเ่ยเราก็กราบให้ดูมาและวิธีการเดินยังกรมเดินอย่างไรวิธีนั่งสมาธิทําอย่างไรและวิธีการกําหนดกิจทําอย่างไรหลวงพ่อก็สาธิตให้เขาได้ดูได้รู้ได้เห็นเ่ยแต่เขาก็แปลเป็นภาษาอินโดให้ฟังแต่หลวงพ่อพูดเป็นภาษาไทยนะจากนั้นก่อนเนี่ย ตะเวนไปแต่หลวงพ่อคิดว่าจะจบไปแล้วแต่ก็มาหลายหลายคนเหมือนกันแต่เมื่อวานมาอีกนะคณะทาญ า, าจโจิโยมสองผัวเมียกับลูกเท่าก็บอกเขานั่ง เ, เขาปฏิบัติพอปฏิบัติไปแล้วกิคิดถึงหลวงพ่อนะอคิดถึงหลวงพ่อดูเห็นลูกแล้วเอ๊ทานาจารย์หลวงพ่ออยู่องค์นี้อยู่ที่ไหนเขาว่าอยู่ที่อุดร อ, อุดรเลยขึ้นไปหาท่านดูเซ่เลยเขาก็บินมานะ พอบินมาเขาก็มาลงที่อุดอรก็ไปพักไปรู้จักกับพระที่ไปจำํำรรษาที่อินโดนีเซียเอที่วัดหลวงปู่อ่อนสามัคตลวงพอจำไม่ผิดนะจากนั้นพระก็ น, านาํามาก็มาโอ้ใช่องค์นี้แหละเขาเขาไม่เคยมาอจากนั้นหลวงพ่อเออมาเป็นยังไงเขาก็โอ้เห็นแล้วก็เนเหมือนกับศรัทธาน้ําตาจะไหลลักษณะอย่างงั้นแหละดูดูกับกิริยาของเขา แกราบแล้วกราบอีกอแต่นี้หลวงพ่อก็ถามมีอะไรเขาบอกวันนียเขาภาวนาเนี่หลวงพ่อนสนใจเรื่องกับคนใดก็ตามเรื่องภาวนาเนี่ยหลวงพ่อสนใจเขาบอกเขาสนใจได้รับการภาวนาจากที่เบตบ้างจากพม่าบ้างจากหลายแห่งที่เขาภาวนาตรงที่แปลกๆก็คือเขาภาวนาไปแล้วนะจิตของเขาเขาสู่ความสงบกว่านะ เขากำหนดที่ท้องของเขาคงจะยุบหนอพองหนอกะมัง่งไปดูที่ท้องนะตรงพ่อกงไม่ได้ถามรายละเอียดเพราะมันให้กให้ชีเมเป็นคนแปลนะตรงพ่อก็เป็นคนฟังเออ mm hmm. เอาไปยุบหนอพองหนอลักษณะอย่างนั้นนะจากนั้นจิตของเขารวมสงบพอรวมสงบทีนี้จิตมันออกออกออ ก, ออกจากร่างกายาว่านะจิตออกจากร่างกายแล้วออกไปเป็นมิติหนึ่ง แสงสว่างมีความสุขมากอดูก็รู้เห็นเห็นร่างกายตัวเองอยู่แต่ทอนี้ร่างกายตัวเองหมดลมใช่ไหมหมอเขคนเขาตกใจตกใจก็มาเอาหมอมาตรวจหมอมาตรวจเขหมดลมตายแล้วออพอตายเสร็จแล้วเขาก็เอาเข้าห้องดับจิตได้ใชไหมเอาเข้าห้องดับจิตว่างั้นนะลงไปลงพยาบาล แต่นัญาติพี่น้องทราบเขาวิ่งไปพ่อไปเขาออกม า, อาพอออกม า, เ, าเสร็จแล้วก็ฟื้นขืนหมาก็บอกเขาตายไปประมาณสักสามสี่สี่ห้าชั่วโมงเหอนนที่เขาเขาหมดเขาสลบไปนั่นแะแต่นี้เขากา็กลับมาบ้านเขาบอกเขาว่าในขณะที่มันจิตรวมสงบลงไปนั้นมันออกไปมิติหนึ่ง เออมันมีความสุขมากมันเบาสบายแล้วก็ดูเห็นร่างกายตัวเองอยู่แต่มันออกออกจากร่างเขาเอ่ะเออไอนั้นคือครั้งหนึ่งพอต่อมาอีกภาวนาอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สองก็เป็นอีกอย่างเก่าอีก เ, ออเขาว่าตายอีกเหมือนกันครั้งที่สองเดี๋ยวนี้ก็เลยกลัวเลยหลวงพ่อไม่ลุกไม่อยากจะทำภาวนากลัว <c oughs> เขาจะเอาไปเผาในขณะที่ ตัวเองเป็นมันมันสงบอยู่นั่นแล้วจะทำยังไงที่มันเป็นลักษณะอย่างนี้คือใจออกจากร่างกายหลวงพ่อว่าขนาดหมอตรวจว่าบดลมแล้วก็แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะมันจะหมดขนาดนั้นเชียวหรือหลวงพ่อก็ยังคิดเหมือนกันนะหัวใจมันก็จะไม่เต้นไม่อะไรบ้างเหรอขนาดเอาเข้าห้องดับจิตแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ แต่เขาก็พูดด้วยความใส่ใจสนใจเมื่อวานจากนั้นหลวงพ่อก็หลวงพ่อก็แนะนำหลวงพ่อก็บอกว่าแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยปฏิบัติมาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเองจะไม่แนะนำสายอื่นแต่เขาก็บอกว่าในอดีตชาติของเขาเขาเคยเป็นเคยเป็นท่เบตเขว้างกันนะแต่หลวงพ่อไม่ต้องพูดเรื่องอดีต พอมันผ่านมาแล้วมันดีมันก็ดีมาแล้วมันชั่วมันก็ชั่วมาแล้วเอามันเป็นยังไงมันก็เป็นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยสําคัญให้ให้อยู่ในปัจจุบันให้เน่งให้แน่วแน่อยู่ในปัจจุบันไม่ต้องคิดหนึ่งไม่ต้องพูดกล่าวถึงอดีตที่ผ่านมามันผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทวงเท้าถึงอดีตดูในปัจจุบันอหลวงพ่อจะแนะนํานะ คือแนวแถวสายหลงปูมั่นของเราเนะี่ยมันมถ้าว่าภาวนาเนะี่ยมีอยู่สองอย่างคือสมถะ ท, ทำจิตใจให้สงบและก็วิปัสสนาให้การกรองไตรตองเหตุและผลเรื่องวิปัสสนาเพราะนั้นให้พวกเราให้ดูนะกำหนดดูนะ กำหนดดูให้มีจิตที่เป็นสมัถะจิตที่เป็นสมถะนั่นคือทำจิตใจให้สงบกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันรี้กหละคือสมถะคือทาจิตใจให้สงบแต่ที่ยอมพุทธพอกาหนดลม พอดูที่ท้องพอกําหนดลมที่ท้องจิตสงบลงไปแล้วมันมีเสียงหรือมันมีอะไรขึ้นมาทีนี้ใจของเราเนี่ก็ใจของโยมสลับไปไปตามนิมิตนิมิตหรือความหมายที่ได้ยินเสียงมานั้นออกไปส่งจิตออกไปนอกส่งจิตออกนอกตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นนะอันนั้นแปลว่าส่งจิตออกนอกส่งจิตไปตามนิมิต ในเมื่อส่งปิดไปตามนิมิตจิตมันก็ออกไปพอออกไปมันก็ไปเห็นไปรู้เรื่องต่างๆเหมือนกับเราไปดูหนังอย่างนั้นจบม้วนนี้แหละจบม้วนนั้นจบม้วนนั้นแหละจบม้วนนั้นไปเรื่อยเลเออมันออกจากออกจากร่างไปแล้วนะเพราะนั้นอย่าอย่าให้ออกไปที่นี่กำหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถพดโถยึดพดโถเป็นหลักในเมื่อจิตใจมันเห็นนิมิต นิมิตเกิดขึ้นให้เข้าไปเห็นสวรรค์รรเห็นเทวดาเห็น อ, อะไรก็ตามเห็นเรื่องต่างๆแสงสว่างอะไรเข้ามาก็ตามอย่าไปตามให้กลับมาหากรรมฐานเดิมกรหมักให้กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกยึดลมหายใจเข้าออกให้ดูตัวนี้นิมิตเหล่านั้นมันจะหายไปเองเอแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่นิ่ง อ, อย่าให้เผลอจากจุดนี้ ถ้ามันลบหมดลมถ้ามันหมดหมดลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับตัวผู้รู้ให้อยู่กับตัวผู้รู้คือคือใจเท่านั้นอ่ะไม่ต้องสืบลมอีกไม่ต้องหาลมอีกไม่ต้องหาร่างกายอีกถ้าร่างกายมันหายลมมันหายแต่ใครรู้ว่ามันหายให้เอาจิติอยู่ที่อยู่ที่ตัวผู้รู้นั้นไม่ต้องสืบสอบหาลมอีกอันนี้ก็คือ เวลาเวลาเราหนังโพณานะแต่ถ้าเห็นนิมิตอย่าไปส่งไปอย่าไปดูนิมิตให้กลับมาหาก ร, รมฐานที่เราตั้งไว้เบื้องแรกเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้กลับมาหาตัวนั้นกลับมาหาตัวลมหายใจเข้าออกนั้นอย่าไปตามดูนิมิตถ้าส่งไปตามนิมิตส่งจิตไปตามนิมิตนั่นแหละเพอเพอเป็นบ้าได้ง่ายง่าหลงทิศหลงทางได้ง่ายๆาเพราะนั้นให้พวกเรา อย่าทําอย่างนั้นนะคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วจากนั้นก็ถอนออกมาจากสมาธิพ่อสอนมาพี่มาพิจารณาเดินวิปัสนาจุดนี้นะเดินวิปัสนาสมถะคือทําจิตใจใจให้สงบวิปัสนาคือนึกคิดนึกคิดอะไรพิจารณาทบทวนถึงมรณะนุสติคือระลึกถึงความตาย ข้าพเจ้าจะต้องตายแน่ๆวันหนึ่งในอนาคตไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนพี่น้องปู่ย่าตายายของเราตายให้เห็นมามากต่อมากเราก็คงจะไปในแบบสถานนั้นแะไม่ไม่ไม่แพ้เขาเหล่านั้นเลยเคือความตายนี่เสมอภาคกันะจะว่าเท่าแกชราอะไรก็ตามถึงข่านะั้นต้องถึงจุดจบอันนี้พิจารณาถึงมรณะนุสติหรือพิจารณาถึงอสุภะก็ได้ เกสาผมโรมาขนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารหมาอาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยของอสุภะปฏิกูลอันนี้พิจารณาถึงปฏิกูลก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นธาตุสี่ร่างกายของเรามีธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟปฐวีธาตุคือธาตุดินคือกระดูก ที่ของแข็งอย่างเช่นผมแล้วกระดูกเป็นของแข็งที่ว่าปฐวีเป็นธาตุดินธาตุน้ำคื อ, คอเลือดน้ำตาต่น้ำปัจจวะน้ํ้ำในร่างกายของเราเนี่ยอันนี้ถรียว่าธาตุธาตุน้ำเราอาโปธาตุวายโยธาตุคือธาตุลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องลมลมในลำไส้อันนี้เราว่าลมธาตุลม ธาตุไฟคือทําไฟเผาอาหารให้ย่อยทําให้ร่างกายอบอุ่นอันนี้ธาตุไฟร่างกายของเรามีอยู่สี่ธาตุปัตวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ําเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมนี่แหละจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้หรือพิจารณาเป็นกระดูกก็ได้กระดูกพิจารณากระโหลกศีรษะกระดูกคอกระดูก หายปรากระดูกแขนทั้งสองข้างกระดูกชี่โครงกระดูกหลังกระดูกจบโขกกระดูกเสิงการกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้าทั้งสองข้างทบทวนพิจารณาทบทวนอันนี้ก็คือเดินวิปัจจนาแต่เขาบอกว่าเขาเดินแล้วนะเขาเดินวิปัจจนาพอเดินเขาเห็นโครงกระดูกเขาว่านะพอเห็นโครงกระดูกแล้วเจนี้ร่างกายของเรามันแตกเป็นผุยผงไปหมด เป็นขี้เท่าทไมพ่อเป็นขี้เท่าเป็นฝุ่นไปเลยครับพ่อเป็นถือมือเห็นเป็นจุดๆในขี้เท่านั้นแต่แล้วรู้จะทำยังไงนี่แหละหลวงพ่อก็ต่อยอดให้เลยทีนี้ในเมื่อเราเห็นชัดเจนขนาดนั้นเห็นกระดูกขนาดนั้นแล้วในเมื่อเห็นกระดูกเป็นผุยผงแปลว่าร่างกายเราเห็นแล้วเนี่ยมันไม่ไม่เทียงแท้ไม่เทียงไม่เทียงแท้แน่นอน น่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งจจะต้องตายจะต้องเผาไฟทิ้งและจะต้องเป็นกระดูกจจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟแต่ใจของเราเนี่ตัวผู้รู้คือนา ม, มธรรมในจุดนั้นเทนี่นะให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้นะที่นี่นะเกอการพิจารณาใครเป็นใครเป็นผู้พิจารณาใจของเราเป็นผู้พิจารณาถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกับรถ แต่โซเฟอร์รถนะ่คือใจใจคือเป็นโซเฟอร์รถแล้วก็มาพิจารณาเาโอ้อันนี้สายพานของรถอันนี้หม้อน้ําของรถอันนี้ปักเก็นของรถอันนี้ฝาสูบของรถอันนี้ตาของรถอันนี้แตรของรถให้คําา่าโซเฟอร์เนี่ยเป็นดูดูรถนี้ก็เหมือนกันร่างกายใจของเราเนี่ยดูร่างกายของเรา ดูแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายแต่สรุปแล้วรถคันนี้อีกใช้ไปคงจะหมดสภาพต้องตายรถคันนี้จะต้องหมดสภาพอต้องเป็นเศษเหล็กเราจะทํำยังไงเราก็ต้องออกจากร่างเรามีกระเป๋าไหมมีเงินไหมในกระเป๋าของเราถ้ารถคันนี้เป็นอะไรลงไปเรานด้ให้ย้อนเข้ามาหาตัวมาหาตัวเองเทนเมื่อไม่ใช่เราดูจะ ดูรถทั้งวีทั้งวันไม่ใช่นะให้เราย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนี่ก็เหมือนกันเมื่อพิจารณาเห็นร่างกายเป็นสภาพสู่ดินน้ำหล่นปมปล่อยเป็นผุยผงอย่างนั้นแล้วก็ให้มาพิจารณาถึงใจเท่ใจของเราคือตัวผู้รู้คือนา ม, มธรรมนตัวนี่แหละตัวการใหญ่ทเท่กิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในนี้แหละไม่ไม่อยู่ในไม่อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจอยู่ในตัวผู้รู้อยู่ในตัวนา ม, มธรรมะ ตัวนี้แหละกิเลสราคะโทสะโมหะมันไม่ไปมันอยู่ที่นี่จะทาให้ย้อนดูใจของเราเดี๋ยวนี้ขณะนี้ใจของเราถ้าเราผ่านสมาธิแล้วนะสมาธิของเราดีแล้วนะมาจาะเข้ามาใจมันดูที่ใจจะเห็นได้ใจแต่ชัดเจนเลยทีนี้ความนึกคิดของใจใจของเรามันในขณะนี้มันคิดเรื่องอะไรคิดดีหรือคิดชั่วคิดไปในเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะ โลภหรือโกรธหรือหลงในใจของเรามองดูใจของเราใจของเรามันก็จะดูเ ด, ด, ด็ดู็กดูเด็กดูเดกดูเดกเออมันไม่เออมันมีแต่จะหาทางออกใครเข้ามันมีที่เกิดมันเกิดมันมีเกิดที่เกิดองค์หลวงตาท่านก็เลยสำทับเขาเลยบอกว่าเนี่ยมันมีจุดมีต่อมอยู่ที่ใดที่นั่นแหละคือตัวภพตัวชาติที่จะขายายพันธุ์ออกไป นั่นแหละท่านให้ดูจุดนี้เยพอดูจุดนี้เข้าไปแล้วกันสิ่งไหนไม่เที่ยงมันกระดุกกระดิกมันจะเที่ยงในมันกระดุกกระดิกสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขสิ่งนั้นเป็นสิ่งไหนเป็นทุก์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราปฏิเสธกระทั่งใจกระทั่งตัวผู้รู้ตัวนามธรรมเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละคือหลักธรรมให้ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้นั้น อันนี้ก็คือหลักธรรมมันไม่หลงไม่ต้องกลัวอะไรไปที่ไหนทั้งหมดถ้าถึงพี่ปล่อยวางถึงจุดนี้แล้วอันนี้หละคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพิจารณาถึงอันดับแรกคือสมัติโดยมากพี่จะสอนเรื่องสมัตกันเป็นส่วนมากถ้าทำจิตใจให้สงบแต่ส่วนวิปัตชนาน้นมีน้อยที่องค์ที่จะสอนเรื่องวิปัตสนา อางเมื่อนพิปัฒนาแล้วกันึกคิดแต่พิจารณาร่างกายนั้นคือส่วนหนึ่งทวนที่พูดที่จะสอนเข้าสู่จิตใจถึงนามธรรมตัวผู้รู้นี่น้อยมาก เ, เราเห็นแต่องค์หลวงตามหาบัวสอนมาถึงจุดนี้นะท่านให้พิจารณาถึงจุดนี้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นหลวงพ่อถึงได้แนะนําบอกกล่าวให้กับพี่น้องชาวอินโดเมื่อวา น, เ, นเพราะนั้นเอามาขยายผล ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถ้าว่าพวกเราเป็นอย่างที่เขาเขาเป็นนั่นน่ะเป็นยังไงเราจะได้นำมาประพฤติปฏิบัติพอเราได้ศึกษาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะหลวงพ่อจึงว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่หลวงตาถ้าเราไปเกิดมาอย่างนั้นพบอย่างนั้น ก็ไม่รู้จะเดินอย่างไรไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักธรรมทำนองครองธรรมทตามหลักของพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราน้าว่าโชคดีได้เกิดมาอย่างนี้นะขอให้พวกนำความโชคดีจุดนี้นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของพวกเราให้ทวีให้มีความเจริญรุ่งเรืองในศีลในธรรมจนถึง หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดนั่นละเลิศประเสริฐที่สุดนะ่ะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวบอกกล่าวเรื่องราวให้กับคณะทา ญ, ญาิโยมทั้งหลายได้ฟังนะเป็นธรรมะที่ขั้นสูงสุดในแนวแถวของปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่หลวงตาของพวกเราอตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตีนะ้า